อ่าเจริญพ่ออยัติธรรมตุสุ ท, ท, ทานเนาะ mm hmm. วันนี้เราก็มาฝึกนะการการเจริญสตินะสติทางโลกนะกับสติทางธรรมบางทีก็เหมือนกันบ้างนะไม่เหมือนกันบ้างเนะนะนะาะคำว่าเรามีสติหรือเปล่าเนี่ยบางทีมันเป็น เป็นคำที่ที่ฟังดูเหมือนเหมือนง่ายๆนะมีสติหรือเปล่าบางคนก็เข้าใจให้เราเราไม่ได้เป็นคนบ้าไม่ได้มีปัญหาเรื่องจิตเวทหรือเรื่องประสาทก็ถือว่าเรามีสติแล้วนะหรือเราไม่ได้เมาเล่านะเราก็มีสติแล้วนะอันนั้นสตินะหรือว่าเราไม่ได้ดื่มสิ่งของ ความจำเราไม่เสื่อมนะก็ถือว่าเรามีสติแล้วอันนั้นสติทางโลกก็อาจจะเป็นประมาณนั้นแต่สติในทางธรรมะนี่คือการที่เรียกว่าเราจะ ร, รู้รู้กายรู้ใจของตัวเองได้ได้บ่อยๆนะบางทีแม้เราลืมสิ่งของนะบางทีลืมสิ่งของแต่เราพอลืมไปแล้ว ขณะที่หาใจถ้าเกิดมีความร้อนดนนะหรือเกิดความทุกข์ในขณะที่หาเราก็รู้ทันใจที่มันร้อนดนหรือใจที่เป็นทุกข์ขณะที่หาหรือถ้าสติเราดีขึ้นก็ใจก็ไม่ร้อนดนนะก็หาก็ห า, หาไปนะหาไม่เจอก็ไม่เป็นทุกข์ไปอันนี้ก็คือคือมันก็เป็นแบบนี้นะหรือบางทีเรา จำอะไรไม่ได้นะจำชื่อคนนี้ไม่ได้นะแต่ก่อนเราเป็นทุกข์นะทําไมจําไม่ได้นะคนรู้จักกันนะหรือจําเรื่องนั้นไม่ได้เทําไมเคยจําได้นะ่ะบันทีเราก็ไม่พอใจตัวเราเองที่มันมันไม่ได้ดังใจเนาะมันไม่ได้ดังใจแต่จริงธรรมะมันคือว่าเนี่ยมันมันไม่แน่นอน <c oughs> ความจํามันก็ไม่แน่นอนนะ จะเอาให้ได้ดังใจนั่นแหละคือความทุกข์นะมันไม่เป็นอย่างที่ใจเราต้องการไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังนั่นแหละคือธรรมะนะทุกทุกอย่างนะมันแสดงความความไม่เที่ยงนะให้เราเห็นนะไม่เที่ยงคือมันไม่สามารถอยู่ในสภาวะเดิมได้มันต้องเปลี่ยนแปลงเหมือนกับร่างกายของเราเนะอืม ร่างกายจะให้แข็งแรงทุกๆวันนะบางทีก็เอาไม่นะเอาแน่เอานอนไม่ได้นะแม้แต่ตื่นนอนนะทุกๆเช้าจะให้ตื่นด้วยความสดชื่นทุกวันนะก็เอาแน่เอานอนไม่ได้นะจะให้เมื่อนอนลม้มตัวตรงนอนเลยให้ดับทันทีเลยนะก็อเอาแน่เอานอนไม่ได้นะอในแต่และ ว, วันมันก็ มันก็มีเหตุปัจจัยหรือมีความแตกต่างกันอันนี้คือความไม่แน่นอนนะความไม่แน่นอนในการตื่นในการรับนะในสุขภาพร่างกายต่างๆเนะี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เขาสอนความจริงให้กับเรานะวมทั้งความไม่แน่นอนในเรื่องของอารมณ์แล้วก็จิตใจนะที่มันมันเป็นไปนตามเหตุตามปัจจัยนะ การปฏิบัติธรรมจริงๆมันคืออยู่กับความไม่แน่นอนของร่างกายแล้ะของจิตใจให้ได้นะคําว่าอยู่ในที่นี้มาคือไม่ใช่ว่าเข้าไปอยู่ในในความในความเป็นทุกข์หรือในความที่มันต้องอยู่ในอารมณ์นะแต่คําว่าอยู่ในที่นี้คือเหมือนเหมือนเรือที่อยู่อยู่บน ผิวน้ำารัจะเป็นแม่น้ำก็ดีจะเป็นทะเลก็ดีนะเราเหมือนเรามีสติเหมือนเป็นเรือที่อยู่อยู่ข้างบนอยู่ข้างบนน้ำนะอาการที่มันเกิดขึ้นกับกายนะเช่นความปวดความเมื่อยความทุกข์ความแก่หรืออาการที่มันเกิดขึ้นกับจิตใจนะที่ มีความสุขมีความทุกข์พอใจไม่พอใจนะกิเลสหรือกุศลการที่อยู่ก็เหมือนเป็นเรือที่อยู่ข้างบนข้างบนอารมณ์นะข้างบนอาการพวกนั้นแหละนะเรียกว่าเราอยู่นะนะการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าเราจะต้องพยายามทำให้อารมณ์นั้นมันหายไปนะอ่านะ พยายามไปบังคับอืไม่อยากให้คิดนะไม่อยากให้ฟุ้งซ่านไม่อยากให้คิดไม่ดีอะไรนะอ่าอัคือเราไม่พยายามไปห้ามความคิดหรือว่าไปไปบังคับอารมณ์ให้มันไม่เกิดอารมณ์พวกนั้นแต่การปฏิบัติจริงๆคือการไม่ต้องห้ามไม่ห้ามแล้วก็ไม่ตามนั่นมันสองอย่างไม่ห้ามแล้วก็ไม่ตามนะ ไม่ห้ามอารมณ์ไม่ห้ามความคิดเราก็ไม่ทําตามอารมณ์แล้วก็ไม่ทามามําตามความคิดด้วยนะแต่เป็นการรู้เท่าทันนะรู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่ า, าทัา น, าทน Firefox, ความคิดรวมทั้งรู้เท่าทันอาการที่เกิดขึ้นกับร่างกายด้วยนะคือถ้าเราฝึกรู้เท่าทันเนี่ยมันจะเหมือนจะทําให้สตินะกลายเป็นผู้ดูฮะกลายเป็นผู้ดู คือรู้ก่อนนะรู้เรื่อยๆนะรู้บ่อยๆครั้นี้สติมันจะพัฒนากลายเป็นการดูการเห็นนะนั้นบางทีเราฝึกเนะเราฝึกให้บางทีเราใช้ว่ารู้นะให้รู้อะไรเกิดขึ้นก็ให้รู้นะรู้ที่ปัจจุบันต่อไปการรู้นั้นมันจะพัฒนากลายเป็นการการดูการเห็นนะอาการมันจะเหมือน ความรู้สึกมันจะห่างออกมาห่างคืออาการที่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็เป็นผู้ดูคล้ายๆเหมือนเราดูคนอื่นน่ะมันจะรู้สึกเหมือนเราเห็นร่างกายเนี่ยแต่ก่อนเราเรายึดนะเราคิดว่ามันเป็นร่างกายของเราหรือความคิดหรืออารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในใจนะเราก็คิดหรือเราก็ยึดว่าเป็นเราเราคิดไม่ดีเราคิดดีอารมณ์ของเรา โกรธอารมณ์ของเราไม่ดีเลยนะนะมันมีความรู้สึกว่าอารมณ์หรือความคิดมันเป็นเรานมันเป็นของของเราจริงๆแต่พอเราดู้ละมันจะเหมือนทำให้สภาวะนะั้นมันมันแยกออกมายิ่งถ้าเรามีปัญญาเห็นว่าอาการตรงนั้นมาเป็นอาการของรูปก็ดีอาการของนามก็ดีมาเป็นอาการนะ่ยมันจะรู้สึกเลยว่า ไอสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยมันเป็นเหมือนมันเป็นคนอื่นนะอ่ามันเป็นเหมือนเป็นสิ่งอื่นเป็นเพียงแค่อาการนะเหมือนเราดูคนอื่นนะเหมือนดูนะดูคนอื่นเขาเดินนะดูคนอื่นเ้านั่งดูคนอื่นเ้านอนแต่ของอื่นในที่นี้ก็คือรู้สึกว่ามันเป็นเพียงแค่ร่างกายที่มันทำงานของมันแบบนั้นเมื่อ ร่างกายมันป่วยร่างกายมันเจ็บมันก็รู้สึกได้เออมันเป็นอาการของร่างกายนะมันก็รู้อยู่แล้วก็เห็นอยู่ว่ามันเป็นแบบนั้นเออเราก็ดูแลมันเท่าที่ดูแลได้แต่มันก็ใจมันจะห่างๆใจมันจะรู้สึกเราเห็นมันแล้วนะเห็นมันแล้วอารมณ์ก็เหมือนกันความคิดก็เหมือนกันก็ก็ดูมันนะดูมันเหมือนมันจะรู้สึกเหมือนผ่านมาผ่านไปฮะไม่ต้องทำอะไรเลย จิตใจเนี่ยดูดูง่ายนะกว่าร่างกายนะในความสึกอัตมาคือดูอารมณ์ดูความคิดเนี่ยมันไม่ต้องทำอะไรเลยนะแต่ดูร่างกายเนี่ยบางทียังต้องช่วยเขานะอ่าถ้ามันไม่สบายถ้ามันเป็นทุกข์เนี่ยดูเฉยเฉยมันมันบางทีมันก็ไม่บรรเทานะบางทีเราก็ต้องดูแล้วก็ต้องเหมือน พิจารณาด้วยว่าเออสมควรต้องช่วยหรือว่าแค่แครู้เฉยเลยไหมนะบางทีร่างกายเองอาจจะต้องใช้าการพิจารณาเข้ามาช่วยว่าอย่างเช่นตอนนั่งพอสมควรนะมันปวดมันเมื่อยอันก็ดูไฟสักพักหนึ่งละพอมันปวดมเมื่อยเยอะขึ้นก็อบางทีก็ต้องพิจารณาเออสมควรเปลี่ยนก็เปลี่ยนให้กับมันนะมันต้องอยู่นี้แต่ถ้าอารมณ์เนี่ยนะดูมันเฉยเฉยไปเลยนะ มันจะมันจะเกิดนะก็เรื่องของมันมันจะดับก็เรื่องของมันมันจะดีก็เรื่องของมันมันจะไม่ดีก็เรื่องของมันแต่กว่าจะเป็นเรื่องของมันได้จริงๆเนี่ยมันไม่ง่ายเพราะมันมันยังมีความรู้สึกเป็นเรื่องของเรานะมันเป็นความคิดของเราเป็นอารมณ์ของเราแต่คอยหมั่นดูเฉยๆนะคอยหมั่นฝึกดูเฉย การที่จะดูเฉยได้มันต้องรู้ทันตอนที่มันไม่เฉยคือมันจะเฉยเลยตอนแรกมันจะยากแต่ให้รู้ทันตอนที่มันไม่เฉยฮะเช่นเวลามันโกรธนะเรารู้แล้วว่ามันโกรธสมมติเราไม่พอใจที่มันโกรธเนี่ยมันไม่เฉยเราก็มาดูต่อเออใจมันไม่พอใจที่มันที่มันโกรธเนี่ยพอเรามาดูเห็นอ๋อใจมันไม่พอใจ หืทีมันเกิดความอยากอยากให้มันหายโกรธนะพอเรากลับมาซ้อนมันดูอีกทีหนึ่งเออเห็นละความอยากเนี่ยเออเราอยากให้มันหายโกรธนะนะพอเมื่อนะเออความอยากพอมันหายไปนะความไม่พอใจก็หายไปด้วยความโกรธเหมือนไม่มีที่ตั้งฮนะมันก็มันก็จบไปของมันเองนั่นคือดูไปเรื่อยๆนะดูกระทั่ง คือตอแรกมันเห็นเป็นอาการก่อนเห็นอาการที่มันโกรธเห็นความเข้าไปยึดในอาการนั้นคือความพอใจหรือไม่พอใจในอาการนั้นแล้วก็เห็นถึงความอยากนะอยากนะไม่ว่าจะอยากให้อาการนั้นอยู่หรืออยากให้อาการนั้นหายไปนะในอาการนั้นนะ่ะเออพอมันเห็นแล้วนะมันมันก็จะวางได้ อันนี้ถ้าเราสามารถดูได้เราก็ดูมันแบบนี้นะแล้วมันจะแล้วใจมันจะเฉยกับอาการมากขึ้นนะเพราะถ้าเราถ้าเราดูดีๆแล้วมันจะเห็นว่าเมื่อไรที่เราเข้าไปพอใจหรือไม่พอใจเมื่อไรที่เราเข้าไปยึดนะมันมันมีความทุกข์อะทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะเราพยายามที่จะต้องไปทำอะไรทั้งอย่าง เช่นอาการมันดีนะเราก็พยายามที่จะต้องเหมือนพยายามต้องรักษาหรืออาการที่มันไม่ดีนะก็พยายามที่จะทำให้มันหายไปไอ้ความพยายามนั่นแหละมันเป็นเหตุของความทุกข์มันทุกข์มันเหนื่อยนะมันถึงเหนื่อยในใจใจมันเหนื่อยเพราะมันต้องต้องรักษาก็ดีเหนื่อยในการที่จะต้อง ข่มเขาไว้สักหน่อยอะไรเนะี้ยก็ดีนะความเหนื่อยตอนนั้นคือเรียกอีกอย่างว่าทุกนะนะพอเราเห็นว่าการทําแบบนี้นมันเป็นทุกข์อนะ่มันมันก็จะวางไปได้นะมันก็จะเกิดแบบเนี้ยบ่อยมากไม่ใช่ว่าเห็นครั้งหนึ่งแล้วมันจะดับทันทีมาถึงว่าไม่เกิดขึ้นอีกนะเกิดขึ้นอีกอ่าเกิดขึ้นอะีกนะมันก็เกิดไปนะแต่พอเรารู้ทันมันก็จะมันก็จะไม่ ไม่พยายามตรงนั้นแต่คำว่าไม่พยายามนี่ไม่ใช่แปลว่าไม่ทำน ะ, นะะการทำของเราคือการทำเหตุนะทเหตุนะด้วยความเพียงแค่รู้นะสติเนะี่ยเพียงแค่รู้อาการของกายเขายืนเดินนั่งนอนเนะ่หลักของเราคือทำให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดนะคือธรรมชาติคือเวลาเราเดินก็ให้ ให้เป็นธรรมชาติให้เป็นให้มีความผ่อนคลายนะไม่ต้องใช้ความพยายามมากนะคือไม่ต้องไปเกรงไม่ต้องกลัวมันไม่ดีหรือรวมทั้งจิตใจไม่ต้องไปแบบต้องรู้ให้มันชัดชัดต้องรู้ให้มันละเอียดรเลยนะหรือต้องแบบไม่ให้มันคาดสายตาไม่ให้มันด่งไปเลยอันนั้นคือพยายามมากเกินไปนั้นจริงๆคือเวลาเรา จะเดินจะนั่งหรือทำอย่างอื่นนะทาให้เป็นธรรมชาติที่สุดนะทำให้เป็นปกติธรรมดาทำให้มีความเป็นเหมือนผ่อนคลายผ่อนคลายนั่งก็แค่นั่งนะแล้วก็รู้ตัวเดินก็แค่เดินแล้วก็รู้สึกตัวนะกินก็แค่กินนะด้วยความรู้สึกตัวอะไรนะถ้าเราผ่อนคลายร่างกายได้นะ จิตใจก็จะผ่อนคลายนะแต่ส right? ิ่งที่ทำคือว่ามีใจที่ตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันนะใจที่ตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันคือเนี่ยเราใจอยู่กับตรงเนี้ยนะจะนั่งก็ใจอยู่กับตรงเนี้ยฟังก็ใจอยู่กับตรงนี้นะทำอะไรก็ใจอยู่กับสิ่งที่กำลังทำอยู่อันน้คือ ใจตั้งมั่นนะคือมีสมาธิแต่บางทีมันก็ไม่ได้มีตลอดน ะ, ะสติก็จะเป็นตัวระลึกรู้ได้เวลาใจเราลอยออกไปนะใจเราลอยลอยออกไปใจเราไปคุ้นคิดถึงเรื่องอะไรนะพอเรารู้สึกตัวสติมันจะเป็นตัวเหมือนพาใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันนะมันก็จะกลับมา กลับมาอยู่กับปัจจุบันอยู่กับเนื้อกับตัวนะแต่คำว่าอยู่กับปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันนี่สั้นนิดเดียวปัจจุบันไม่ถึงวินาทีไม่รู้ว่ากี่ส่วนของวินาทีนะปัจจุบันเนี่ยมันคือสภาวะที่ที่สดสดใหม่ๆแล้วก็แค่ขนาดเดียวนะนั้นความรู้สึกตัวจริงๆเนี่ยมันแค่แว บ, บเดียวฮนะแวบบเดียวอนะ จะเดินก็ดีจะยกมือก็ดีจะหายใจก็ดีเนี่ยตอนที่มันรู้จริงๆอมันแวบเดียวแต่สิ่งที่เราฝึกคือฝึกรู้แล้วมันไม่รู้ว่าใช้คํานี้มันจะคาดเคลื่อนหรือเปล่าแต่มันรู้แล้วมันทิ้งฮะรูแล้วก็ทิ้งแล้วก็รู้ใหม่รู้ใหม่ไปเรื่อยนะคือคือปัจจุบันน่ะมันมันรู้แล้วมันจบฮะไม่ใช่ว่ารู้แบบเอาตัวรู้แบบรู้ยาวๆนะ ถ้ารู้แบบจะยาวเนี่ยมันจะไม่จบเพราะมันไม่ใช่ปัจจุบันเน่ะมันเหมือนพยายามเอาอดีตเอาอปัจจุบันแล้วก็ไปลากต่ออนาคตอ่ะมันเหมือนขีดเส้นยาวแต่ปัจจุบันมันเหมือนเป็นเป็นเสี่ยวที่มันต่อกันมันมีช่องว่างนิดหนึ่งในการรู้นะไม่ใช่รู้ตลอดเวลาแต่มันรู้รู้รู้รู้แบบนี้มันเหมือนมี มีช่องว่างนะเหมือนใบไม้แต่ละใบอ่ะมันเป็นใบที่มันเรามองไปนั้นบางทีเป็นคุ้มนะแต่แต่ละใบมันมีมีช่องว่างของมันมีช่องว่างของมันนะเหมือนลมหายใจของเรานะลมหายใจเข้าแล้วก็ลมหายใจออกมันก็มีช่องว่างของมันเยอะนะในขณะที่หายใจนะณปัจจุบันจริงมันเหมือนดูแล้วทิ้งนะดูแล้วทิ้งดูแล้วทิ้ง มันจะเลยมันก็เลยเป็นการรู้แบบสดสดใหม่ๆนะแค่ขณะเดียวแค่ขณะเดียวนะมันเป็นเหมือนเราแค่รู้อยู่ปัจจุบันแต่เราไม่ได้ยึดปัจจุบันนะเพียงแค่อาศัยปัจจุบันนะเป็นเครื่องได้รู้ล้วก็ถ้าเราเห็นจริงๆเนะี่ยมันไม่มีอดีตไม่มีอนาคตมีแค่ปัจจุบันนะ เวลาเราคิดถึงอดีตคิดถึงอนาคตเนี่ยก็ไม่ได้เป็นอดีตจริงๆไม่ได้เป็นอนาคตจริงๆความคิดนั้นมาเป็นปัจจุบันความทุกข์ที่คิดถึงก็เป็นปัจจุบัน แ, แม้เรื่องราวเป็นเรื่องของอดีตนะแต่คิดถึงแล้วมันทุกข์ตอนนี้ก็เป็นปัจจุบันที่มันกลัวตายกลัวเจ็บกลัวอะไรในอนาคตนะความกลัวความทุกข์ในตอนนั้น ก็ไม่ใช่ความทุกข์ในอนาคตเป็นความทุกข์ที่ปัจจุบันความกวมันไม่มีอะไรเลยที่จริงโอ้ปฏิบัติธรรมนี่ไม่ใช่เป็นการแก้อดีตแล้วก็ไม่ใช่เป็นการเตรียมพร้อมที่อนาคตเลยมันเป็นการทำปัจจุบันให้ดีที่สุดในทีละขณะทำเพียงแค่รู้นะรู้ล้จบแล้วก็รู้ใหม่รู้จบแล้วก็รู้ใหม่ทำแบบนีน้แค่นี้เองนะ พอทำแบบนี้แค่นี้เองมันเป็นการสร้างจะเรียกว่าสร้างนิสัยให้กับจิตใจนะนการที่เราปฏิบัติทำเนี้ยเหมือนเป็นการสร้างนิสัยให้กับจิตใจใจก็มีนิสัยนะเหมือนเราทำอะไรเราก็มีนิสัยเราทำอะไรจนเคยชินทำไปบ่อยมันก็จะเป็นนิสัยนะเจอจากนิสัยเป็นอะไรเป็นสันดานอันนี้คือ จิตที่ปฏิบัติธรรมก็แบบนั้นนะมันเป็นนิสัยแล้วก็มาเป็นสันดานได้นะคือคําว่าสันดานนี่ความหมายอาตมาคือมันจะกลายเป็นการรู้ตัวแบบเป็นอัตโนมัติคือเราฝึกอะไรบ่อยๆต่อไปมันชํานาญมาเป็นอัตโนมัติเหมือนนักกีฬาเขาซ้อมไม่รู้กี่ปีนะจะต้องเป็นสมมติิดทีมชาติไปนะซ้อมไม่รู้กี่ปีคือซ้อมเพื่อมันเป็นนิสัยแล้วก็ ให้มันเป็นการเคลื่อนไหวที่เป็นอัตโนมัติเพราะเวลาแข่งเวลาเจอกับสถานการณ์จริงอะ่ะมันจะไม่มีเวลานั่งคิดหรอกว่าเออถ้าลูกมาแบบนี้จะจะออกไปเตะแบบไหนดีส ม, มือนนะตรียมอะไรมันไม่มีเวลาคิดแต่พอมัน เ, เจอปุ๊บเนี่ยเป็นอัตโนมัติที่ไปตอบสนองทันทีอันนะอารมณ์ของเราก็เหมือนกันนะอ่าคือเราฝึกให้มัน เป็นนิสัยของจิตที่มันจะจําสภาวะความเคลื่อนไหวของร่างกายให้ได้นะในเบื้องต้นคือเราฝึกเพื่อให้จิตใจมันจาสภาวะเมื่อกายเคลื่อนไหวอนะให้ใจเดลกรู้นะหรือเมื่อกายมันกระทบนะก็ให้ใจเดลรู้หรือบางขณะที่กายเขาหยุดนิ่งนะก็ให้ใจเดลรู้เนี่ยเราฝึกไปนะไปเราจะเห็น เห็นมันเคลื่อนบ้างเห็นมันกระทบบ้างเห็นมันหยุดมันนิ่งบ้างใจระลึกรู้ฝึกมันได้่อยๆต่อไปพอกายมันเคลื่อนไปหยิบอะไรน่ะอ๋อมันมีการเคลื่อนรู้นะนะมันเกิดความรู้สึกตัวได้ได้ถี่ขึ้นเรื่อยๆนะรวมทั้งเราก็ไม่ได้เห็นแต่กายเคลื่อนไหวเราก็จะเห็นใจมันไหวนะไหวไปทางไหนเดใจมัน มันไหลฮะไหลออกไปเคยเห็นไหมใจมันไหลออกไปทางตาก็ได้นะมองเห็นอะไรแล้วก็นใจเราไหลออกไปอยู่ในสิ่งที่เรากําลังดูอยู่ละหรือใจมันไหลไ ป, ไปทางหูนะได้ยินเขาพูดอะไรก็ไม่รู้นะใจมันสนใจนะไหลออกไปทางหูอไปจอตรงนั้นเลยออกไปตรงนั้นเลยหรือบางทีใจก็ไหลไปตามกลิ่นได้กินอาหารเนี่ย ใจมันไหลไปนะตามกลิ่นนะมันอะไรเนาะมันคิดต่อว่าอาหารอะไรนะอยู่ที่ไหนนะ่างทีใจเราก็ไหลไปทางรสนะรสชาตินะเวลาอาหารเวลากาแฟาเวลาขนมหวานกระทบรสชาตินะี่บางทีไม่ใช่รับรู้แต่รสชาตินะแต่มันยังไปคิดถึงประสบการณ์อดีตที่มันเกี่ยวข้องกับรสนี้บ้างนะหรือเกี่ยวข้องกับผู้คนต่างบ้างนะ ไหลออกไปทั้งกายเวลาสัมผัสนะหรือบางทีใจก็ไหลไปของมันเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับข้างนอกไหลไปข้างในคำว่าไหลในที่นี้คือมันไม่อยู่ที่ฐานนะมันไม่อยู่ฐานก็คือไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวฮะแต่คำว่าฐานของใจนี่มันไม่ใช่อยู่ตำแหน่งที่ที่หน้าอกหรือที่ท้องที่ตรงไหนนะ ว่าเราจะไปหาว่าใจมันอยู่ตรงไหนเนี่ยไม่ต้องไปหาแต่รู้ทันว่าใจเขาไหลออกไปนะใจไหลไปมองแค่รู้สึกว่าใจมันไหลออกไปมองเนี่ยอันนั้นคือรู้ใจจะกลับมาอยู่กับฐานรู้ท่านว่าเนี่ยมันได้ยินเสียงเกิดขึ้นมันสนใจไปฟังใจมันไหลออกไปแล้วมันจะกลับเข้ามาอยู่กับตัวกลับเข้ามาอยู่กับตัวอนนัแค่เนี้ยแต่นะ ใจมันไม่มีที่ตั้งไม่เป็นมันไม่ใช่เป็นนามธรรมเออไม่ใช่เป็นรูปธรรมนั้นไปหามไม่ได้หรอกแต่รู้ทันแค่เวลามันไหลออกไปเนะี่ยมันจะปรับมาอยู่กับตัวละคือเรารู้ทันมันที่ปัจจุบันนี่คือเราจะรู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจนะที่มันคิดนึกนะไม่ใช่ไปรู้ความคิดแต่รู้ว่าใจตอนนี้นมันเผลอไปคิดหรือรู้ว่าใจตอนนี้นมันเผลอไปอยู่ กับตากับเสียงกับอะไรก็แล้วแต่ดูกายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึกนะ่ยต่อไปเราจะมันจะเกิดขึ้นได้บ่อยๆเขามันเองเนาะถึงเราฝึกคือฝึกให้มันบ่อยๆแล้ว เ, เกิดบ่อยต่อไปมันจะเกิดเป็นอัตโนมัตินะีพอเกิดเป็นอัตโนมัติตอนนี้ทิ่ที่มาพูดว่ามันเหมือนไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องใช้ความพยายาม แต่มันจะรู้สึกตัวได้โดยที่ไม่ต้องพยายามไม่ต้องพยายามที่จะต้องรู้สึกตัวไม่ต้องพยายามที่จะต้องทาให้กิเลสนั้นมันหายไปไม่ต้องพยายามที่จะต้องรักษาความสุขหรือกุศลนั้นให้อยู่ต่อไปเพราะมันรู้สึกว่าอะไรมันจะเกิดมันก็เรื่องของมันนะเราก็เพียงแค่หน้าที่รู้แล้วก็ดูมันเฉยๆนะ่ ใจตอนนี้มันจะเป็นกลางใจจะเป็นป ก, ปกตินะแต่ต้องแต่อย่าไปคาดหวังนะว่ามันจะเกิดแบบนี้ได้ตลอดเวลานะอะมาเองก็ไม่ได้เกิดตลอดเวลานะแต่พอเราฝึกบ่อยๆมันจะเกิดได้บ่อยนะเกิดได้บ่อยของมันนะแล้วก็ล้วก็เออมันไม่มันผิดปกติไปก็ไม่เป็นไรพอเรารู้มันก็จะกลับมาของมันเองปรมานี้เราฝึกบ่อยๆมันจะรู้สึกว่า มันง่ายในการที่กลับมานะแล้วก็มันมันกลับมาเป็นอัตโนมัติของมันได้ได้บ่อยมากขึ้นแต่สิ่งสําคัญคืออย่าไปทําด้วยความอยากนะอืมปัญหาของการปฏิบัติธรรมคือความอยากเนะี่ยมาว่าเป็นตัวใหญ่ที่สุดนะอยากได้อยากดีอยากเป็นอยากเอาอยากรู้อะไรนะอยากไม่ทุกข์อะไรนะอ่า อยากทาให้มันเสร็จจะได้ไม่ต้องทําอีกเลยมันะคือความอยากพวกนี้ยมันมันมาหลอกนะมาหลอกนะปฏิบัติรรมแล้วเราทําด้วยความอยากนะยิ่งทุกข์กว่ากว่าแต่ก่อนเลยแต่ก่อนมันเป็นทุกข์นะตอนที่มันเจออารมณ์กระทบนะเจอปัญหาแต่ ท, ทําด้วยความอยากเนี่ยมันทุกข์เพราะมันเหนื่อยเพราะมันหนักนะแล้วมันคาดหวังผล ไอ้ตัวเนี้ยทำด้วยความอยากเนี่ยเป็นอุปสรรคอย่างหนึง่งแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ถ้าบางหลายๆคนถ้าคุ้นเคยกับการใช้ความคิดมากนะเราฟังทำเวลาปฏิบัติทำเวลามันไม่เข้าใจอะไรนะ่ะต้องต้องใช้คําว่าอะไรกล้าที่จะโง่งๆบ้างคือไม่เข้าใจก็แค่ยอมรับว่ามันไม่เข้าใจไม่ต้องพยายามคิดให้มันเข้าใจคือบางทีเราจะ ไม่เข้าใจเราจะพยายามจะคิดให้มันเข้าใจอะ่ะจะคิดให้รู้อะไรนะจะใช้ความคิดในการเข้าไปดูจะใช้ความคิดในการที่จะไปอธิบายรปรากฏการณ์ต่างๆปฏิบัติธรรมต้องแบบเร้่อกล้างโง่นะ <c oughs> ไม่ต้องฉลาดไม่ต้องเก่งไม่ต้องรู้ทุกอย่างก็ได้นะไม่รู้ก็แค่ยอมรับว่ามันไม่รู้ไม่เข้าใจก็แค่ยอมรับไม่เข้าใจนะ สงสัยก็แค่รู้ตัวว่ามันยังสงสัยอยู่ไม่ต้องว่าต้องมีคําตอบให้กับความสงสัยก็ได้เนะถ้าเราสามารถที่จะมันเหมือนเป็นการฝึกวางความคิดนะฝึกวางความคิดนะฝึกวางความคิดในการหาคําตอบในการอธิบายต่างๆเนะี่ยพอฝึกมันจะง่ายง่ายแค่ไหนเออหัวมันเบาขึ้น มันมันใช้หัวสมองน้อยลงนะใช้หัวสมองน้อยลงมันจะรู้สึกอะไรที่เบาอันแรกนะสัพเพเตรียมมาคือสมองฮะหัวสมองมันเบาขึ้นคือมันไม่มันไม่คิดมากเหมือนแต่ก่อนนะอืมไม่ต้องวิเคราะห์ อ, อะไรมากมายนะสมองเบาขึ้นพอสมองเบาขึ้นต่อไปร่างกายมันก็เบาขึ้นไปด้วยนะเบานะมันร่างกายก็เบานะ ทําอะไรก็สึกมันเบาเบาสบายๆนะอืมรวมทั้งจิตใจก็เบานะที่จริงพอสมองเบาพอกายเบาเนะี่ยจิตใจมันเบาจิตใจมันเบานะมันไม่มันไม่ยึดมันไม่เอาอะไรเนะี่ยมันมันเบาเนี่ยมันจะเห็นผลตรงนี้นะแต่ไม่ใช่เบาเพราะว่าไปอยู่ในความสุขสบายอยนะู่ในนั้นอันนั้นก็เบาอีกแบบหนึ่งนะ แต่นั้นเบาแบบอยากอยู่นะเบาแบบไม่อยากหายจากความสุขคนนั้นเบาเบาในสมาธินะเบาในการที่เข้าไปอยู่ในอารมณ์หรือในนิมิตต่างๆแต่เบาในที่นี้คือเป็นการปฏิบัติแบบปล่อยวางฮรนะคือไม่ได้ปฏิบัติแบบเอะปฏิบัติแบบวางปล่อยนะ อไม่ใช่ปฏิบัติที่จะเอาเข้ามาใส่ตัว แ, วแต่เหมือนปฏิบัติเพื่อทิ้งทิ้งที่มันหลงทิ้งสิ่งต่างๆไม่แต่ตัวรู้เองรู้แล้วก็ทิ้งพอปฏิบัติแบบทิ้งนะมันมันเบาเอมันเหมือนอง่ายๆเหมือนสมมติเหมือนเราเดินทางนะถ้าเราเห็นอะไรเราก็จะเก็บถือถือถือเนะี่ยจะหนักขึ้นในเลยนะการปฏิบัติทำก็ไม่ใช่การเพื่อจะเอานะแต่เหมือน เดินไปเอ้อันนี้มันหนักก็ทิ้งอันนี้มันหนักก็ทิ้งมันก็เอาไปแต่สิ่งที่จําเป็นนะพอถึงเวลานั่งพักมันก็ทิ้ ง, งนะทั้งหมดนทิ้งทั้งหมดนะอนนี่คือเวลาเราเดินทางจริงเนะี่ยถ้าเราถือไปด้วยเนะี่ยมันจะหนักมากนะแต่เราใช้แล้วก็ทิ้งใแล้วทิงอย่างกินน้ําแล้วมันหมดขวดก็ทิ้งขว ด, ขวดนะีนะ่ยนะคือถึงเวลานั่งพักก็ปลดเป้ลงนะมันก็สบายมันก็เบา คือปฏิบัติธรรมจริงๆไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อจะเอานะแต่ปฏิบัติแล้วมันทิ้งมันปล่อยมันวางนะนั้นถ้าภาวนาแบบนี้นะมันก็จะเป็นทางนะที่จะทําให้เราเรียกว่าเกิดปัญญาทางที่ทําให้เราเกิดความหลุดพ้นจริงๆนะแล้วก็ทางที่เกิดปัญญาทางที่เกิดความหลุดพ้นก็ไม่ใช่ว่าต้องรอเราเป็นพระอาหารหันต์ต้องรอเราบรรลุธรรม ถ้าทำถูกจริงๆก็ทำได้ทุกขณะนะทุกขณะที่รู้สึกตัวทุกขณะที่มีสตินะทุกขณะที่ใจเป็นกลางเนะ่ะมันจะสัมผัสสภาวะที่ที่มันไม่ถูกนะสัมผัสกับสภาวะที่มันเป็นปกตินะสัมผัสกับสภาวะที่มันไม่มีตัวเราอะ่ะ นมันจะสัมผัสได้น่ะได้บ่อยเนาะอันนี้คือคือการปฏิบัติธรรมเนาะหลายคนก็เคยปฏิบัติอยู่แล้วเนาะมาก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะพูดไปเรื่อยไม่ได้เตรียมว่าจะพูดอะไรด้วยนะแต่ก็มันเหมือนเป็นพูดเหมือนให้กำลังใจกันเนาะพูดให้กาลังใจในเส้นทางที่เรา กำลังเดินทางแล้วก็พูดเหมือนเป็นการนะให้แผนที่นะหรือว่าพูดเพื่อในการปรับในการวางใจของเราในการปฏิบัติเนาะแต่ตอนที่ปฏิบัติตอนนั้นแหละก็มันก็จะเจอสภาวะที่เราต้องไปไปใชนะ้เอาสิ่งที่ได้ฟังต่างๆเอาไป เอาไปใช้ในการวางใจให้มันถูกต้องนะเอาไปใช้ในการรู้เท่าทันอารมณ์รู้ทันความคิดของเราเองในทีละขณะเนาะเอาไปใช้ดูแล้วก็มันเป็นประสบการณ์ของเราที่ได้ลองถูกบ้างผิดบ้างนะเอรู้บ้างหลงบ้างนะไม่เป็นไรนะอืมเป็นประสบการณ์บ่อยๆแล้วก็อประสบการณ์นั้นะเราก็ตรวจสอบตัวเองว่า ถ้าทำแล้วมันมันรู้สึกเป็นทุกข์อ่ะ น, นั่นนี่น่าจะไม่ถูกทางอะ่ะแต่ถ้ามันเห็นทุกข์นะหรือเห็นกิเลสแต่มันรู้สึกว่าความทุกข์ก็อันนึงกิเลสก็อันหนึง่งแต่สติเป็นผู้เห็นอันนึง่งนี่นก็ถูกนะไม่ใช่เป็นทุกข์นะแต่เห็นทุกข์เห็นมันเป็นทุกข์เห็นมันมีกิเลสนะแต่เรามีสติที่เห็นแล้วเนะี่ยอันนี้นก็ ก็ถือว่าเรามาถูกทางนะเ้วก็ดูตัวเองได้ว่าแต่ถ้าทําแล้วมันเครียดอแล้วมันทุกข์เนี่ยอาจจะต้องดูอทําไมมันถึงต้องทําแบบนั้นนะแต่ถ้าทําแล้วแบบมันโดยดอยว่างๆเคล้งๆเหมือนไม่รู้อะไรเลยก็อาจจะต้องดูนะอ า, อาจจะเป็นเหมือนทําแค่ท่าได้ออกกำลังกายนะได้ยกมือได้เดินแต่ใจก็คิดนะใจก็เออ มันไม่มีสมาธิไม่มีสตินี่ก็ก็ได้ประโยชน์น้อยนะได้ประโยชน์แค่ร่างกายที่เคลื่อนไหวนะแต่ใจก็อาจจะไม่รู้สึกตัวนะวก็เอาไปไปฝึกไปทำกันตอนเนาะอ่ะคนเก่าๆก็เชิญเหมือนเดิมนะก็ขึ้นไปภาวนาข้างบนนะก็ได้หรือยิ่อยู่ในห้องนี้ก็ได้เนาะ ไกลๆสิบเอ็ดโมงครึ่ง ก, ก็กลับลงมานะก็หลายคำถามนะก็มีประโยชน์แต่ก็อ่าแต่มันเป็นสิ่งที่เราต้องสัมผัสด้วยตัวของเราเองนะว่ามันมันเป็นสภาวะแบบไหนเหมือนเราจะไปกินอะไรนะเราสมมติให ให้แม่ครัวให้พ่อครัวมาอธิบายว่ารสมันอร่อยแบบนี้รสชาติแบบนี้นะเราก็อาจจะรู้แล้ว <c oughs> แกงนี้มันรสชาติประมาณไหนแต่มันรู้ที่ที่ความจำหรือสัญญาแต่การปฏิบัติคือเหมือนเราพาตัวเองเข้าไปสัมผัสคือกินเข้าไปเลยแล้วมันรู้เองแล้วตอนที่รู้บางทีเราไม่ต้องพยายามแยกแยะเลยว่า อ ม, มันเปรี้ยวกี่เปอร์เซนต์มัหวานกี่เปอร์เซ็นต์มันนั่นนี่เท่าไหรนะ่ฮะเพมไม่ต้องใช้เราแค่รู้สึกอ้อรู้สึกแค่นั่นแหละแล้วเวลาปฏิบัติเราก็อืมเราก็พยายามวางปฏิญญาให้เยอะที่สุดเท่าที่ทําได้นะ <c oughs> คืออะไรคือบางทีอย่าไปเปรียบเทียบ ม, มากว่าเทําไปแล้วมันถูกหรือผิดทํามาแล้วมันมันเป็นแบบไหนรู้สึกอย่างที่มันเป็นฮนะเพียงแค่ อยเออมันเป็นแบบไหนก็แค่รู้รู้ไปเรื่อยถ้ามันจะสัมผัสได้เองว่าถ้ามันหนักถ้ามันถ้ามันหนักเนี่ยแปลว่าเออเรามันไม่ใช่ละะแต่ถ้าแค่รู้ต้องวางไปเรื่อยรู้วางไปเรื่อยจบที่ละคะนะเจบเทียนนะเนี่ยใช้ได้ละะใจมันรู้สึกเป็นกลางมากขึ้นเป็นปกติมากขึ้นนะแค่รู้ไปเรื่อยเนี่ยมันก็มันก็จะค่อยๆได้คําตอบนะแต่ก็ มันอาจจะไม่ได้ขึงกับมั่นใจวันนี้หรอกนะแต่พอเราเริ่มมั่นใจว่าที่เราทำแล้วมันมีความเปลี่ยนแปลงข้างในจากใจที่ที่แต่ก่อนทุกข์มากหรือคิดวุ่นวายสับสนมากแล้วมันเบาลงความทุกข์ลดลงลนะเราจะค่อยๆมันจะทำแค่นี้มัน ขนาดทำแค่นี้ยังได้ผลขนาดนี้นะนะถ้าทํำเรื่อยๆมันก็น่าจะทําให้เป็นทางที่ที่ทําให้ความทุกข์มันหมดไปได้นะหรือทําให้สมองมันเบาลงไม่ใช่ไปคิดไม่เป็นนะแต่มนุษย์เป็นการรู้จกักวางความคิดที่ไม่จําเป็นออกไปจากหัวได้เยอะความคิดที่จําเป็นก็ค่อยคิดความคิดที่ไม่จําเป็นเที่ยมันบุ่นวายที่เราไม่ตั้งใจคิดเราก็จะ เหมือนไม่ต้องไปหลงไปกับมันเนาะอืมมันก็แค่ชวนให้เราคิดแต่เราก็เลยหลงไปกับความคิดนั้นเราก็จะเห็นมันไม่จําเป็นต้องคิดก็บางทีอย่างที่บอกว่าบางทีปฏิบัติบางทีไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อให้เราฉลาดบางทีแบบโง่ๆแบบซื่อๆแต่จริงสิ่งที่มันรู้คือรู้ว่าไอ้นี้่มันมาหลอกไม่หลงไปกับมันเนี่ยฉลาดทางธรรมนะแต่อาจจะไม่ฉลาดทางโลกนะ แต่ก็ไม่ใช่ว่าทำให้เราโง่ขนาดนั้นนะแต่มันก็มาถ้าเรารู้ทันความหลงที่มันมาหลอกนะมาหลอกคือบางคนเมื่อต้นต้นปลายปีปลายเดือนที่ผ่านมาแล้วก็ต้นเดือนที่ผ่านมามีคนจีนไปปฏิบัติธรรมตรงที่มาอยู่เนาะที่อาศมวิริยธรรมที่ปากช่องก็มีคนจีนมาปฏิบัติมีคนไทยไปปฏิบัติด้วยมีคนนึง ที่เขาชอบคิดฟุ้งซ่านอะมาก็ทักก็บอกว่าคําถามที่ออกมามันเรารู้ว่ามันเกิดจากความฟุ้งซ่านก็บอกไปว่าเนี่ยโยมชอบฟุ้งซ่านเน่ยที่ที่ถามเนี่ยฟุ้งซ่านนะรู้หรือเปล่านะเขาก็ยังถามต่อนะถามแบบเชิงเทียงอะ่ะถ้าไม่คิดตรงโลกมันจะพัฒนาได้หรอแนละ้วนี่นะก็มันมันก็ทักไปหลายเป็นวันสองวันนะ ปลปช่วงถามนวัตทัพไปพอวันดังเขาขมาก็สังเกต เ, เขาดูสงบขึ้นดูดูถามน้อยลงแทบไม่ถามละดูสงบขึ้นดูข้างนอกก็รูน่าะสงบขึ้นวันวันสุดท้ายเขาก็มาพูดว่าคือแต่ก่อนไม่รู้ตัวแต่ก่อนคือสนุกกับการที่ได้คิดคือคิดแต่มันสนุกอะ่ะก็เลยก็เลยชอบคิด พ อ, อตาดักมาดูตัวเออเราไปสนุกกับความคิดอันนี้อ๋อที่อาจย์บอกว่าฟุ้งซ่านคือเนี่ยคือการไปสนุกกับความคิด <c oughs> อเ<อ>ขาก็เลยเอขาเลยเออรู้จักวางความคิดที่มันไม่จําเป็นเนาะได้ก็ก็จิตก็เลยฟุ้งซ่านน้อยลงนะอืมแต่ไม่ใช่แปลว่าเราจะไม่ฟุ้งซ่านนะมันจะเห็นความฟุ้งได้บ่อยฮะแต่ความฟุ้งมันจะนิดๆหน่นนนอยเออ นี่ๆหน่อยๆแล้วก็มันก็จบนหน่อยฟุ้งเยอะด้วยนะแต่ละวันจิตไม่เคยอยู่นิ่งเลยแต่ฟุ้งนิดนึงไปฟุ้งนิดนึงไปแต่มันก็จะกลับมาได้เนาะก็ไปดูนะไปดูดูกายเคลื่อนไหวดูใจมันเคลื่อนไหวนะพอเราทําอะไรเนี่ยกายก็เคลื่อนเมื่อบางทีใจก็เคลื่อนนะเคลื่อนไปมองเคลื่อนไปฟัง เรื่องปิดคิดเลยนะห้ามมันไม่ได้นะแค่รู้ทันมันนะถ้าจําเป็นต้องมองก็ต้องมองไม่จําเป็นเราจะรู้สึกเออมันไปมองแบบไปอยากมองกับมองแบบตั้งจําเป็นต้องมองก็ต้องมองนะอืเนาะก็อะฝากไว้นะเดี๋ยวเราไปทานข้าวกันแล้วก็กลับมาปฏิบัติเนะ